ใจเพิ่มเติมหน่อยนะเอ่อกรณีของจันลักเนี่ยจันลักเนาะว่าทุกขเวทนากาะให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่ของคุณครัมนทักทุกขเวทนากาะให้เกิดความคิดนะเพราะว่าทุกขนาเกิดอย่างว่าอยากจะให้เวลาที่กําหนดไว้ว่า เราบอกว่าห้านาทีความจริงร่างกายมันจะทนต่อทุกเวณานาทีจะไม่เบียดเบีย น, นจิตเลยมันได้แค่สามนาทีนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยมาร้อยแปดสิบวินาทีที่ความหนักหน่วงของร่างกายโดยธรรมชาติโดยที่แม้จะไม่แม้จะผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามนะมันจะทนได้แค่สานาทีถ้าเลยจากนั้นไปหมายความว่า ถ้าคนปฏิบัติธรรมก็ค่อยเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะได้ถึง5นาทีหรือนาทีแต่ถ้าเลยถึง10นาทีแล้วมันไม่อยู่ละมันเข้าไปไหลไหลเข้าไปสู่จิตจิตเสพเรียบร้อยแล้วถ้าทุกถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ควรใเกิดความคิดและความเบื่อหน่ายถ้าเป็นสุขเวทนาก็กวรให้เกิดความเพลินและความม่วงถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะเพราะร่างกายมันทุนได้แค่สนาทีเพราะฉะนั้นนับแต่สมนาทีขึ้นไปต้องระวังละ แตนถึงสานาทีไม่ต้องระวังอะไรมากละมันก็จะตัวทุกเวทนาทุกสุเวทนาทางจิตยังไม่แปลเปลี่ยนให้เป็นสมุทัยเท่าไหร่อันนี้จเมาไว้เลยนะสังเกต ด, ดูทั้งดีที่สุดก็คือทุกสานาทีเปลี่ยนให้ปลอดภัย5นาทีเสี่ยง10นาทียิ่งเสี่ยงมากเลยมันจะเกิดก็ให้เกิดความหมุนกิจกรรมารหรือความผิดตามมานะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อันต่อมานะการที่ เราไม่ปลุกสติสัญญาให้ชัดไว้เสมอเนี่ยอาการเบลอทางตาทางอะไรต่างมันก็จะเกิดขึ้นนั่นหมายความไอซีของเรามันก็หมดแรงเนื่องจากว่าไอา EC ประสาทในส่วนที่ถูกทับคือเลือดลมเนี่ยที่มันถูกทับนานการไหลเวียนมันก็จะนืดจะช้าใช่ไหมดังนั้นตัวเลือดลมที่จะไปเลี้ยงระบบประสาทให้เกิดปกติชัดเจนเนี่ยมันก็จะหายไปเนื่องจากว่าเลือดลมที่ผ่นผ่านเข้ามาตรงนี้ถูกบล็อกเอาไว้จากการที่น้าหนักเระทับ นะอันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันแต่คนที่รู้คนไกนี่ป๊บกว่าพอตาหูเริ่มเฟดเริ่มอะไรก็เริ่มปรับให้เลื่อนลงมันผ่านก่อนอีซีของเราก็จะค่อยสว่างขึ้นลักษณะอย่างนั้นอย่างอาจารย์รักว่าว่าพอแก้อยู่กับที่ใช่ไหมไอ้ตัวกดน้ำหนักที่กดทับนะั้นมันยังยกออกไม่พ้นจากการไหลเวียนของโลหิตหรือ เลือนหลมของเราพอเดินไปมากกว่านั้นมันทําให้อีซีประสาทของเราโปร่งมากขึ้นการขยายตัวของเลือนหลมได้ชัดขึ้นแล้วก็อีซีประสาทก็จะตื่นตัวนะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งคือวิจัยต่ออาต่อไปคุณเรียกคุณอะไรดีร่วน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะเชื่อหลักๆวันนี้ก็คือเรื่องความมังครับ